การให้พรพระบินทบาทให้พรควรหรือไม่สมัยปัจจุบันมีโยมจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าทำบุญใส่บาตรถวายทานแล้วหากไม่ได้รับพรก็จะไม่ได้บุญหรือได้บุญน้อยเมื่อรับพรแล้วจะได้บุญเต็มที่ แม้พระบางรูปก็มีความเข้าใจเช่นนั้นเมื่อฉันอาหารหรือรับอาหารบินทบาทของโยมแล้วหากไม่ให้พรโยมจะไม่ได้บุญความคิดของโยมกับพระสมัยนี้บางท่านตรงกันคือโยมต้องการรับพรเพื่อจะได้บุญมากๆพระต้องการให้พร เพื่อจะเอาบุญให้โยมเมื่อเป็นอย่างนี้โยมทำบุญใส่บาทถวายทานแล้วจึงขนขควยแต่ในการรับพรอย่างเดียวบางท้องถิ่นจะถือเรื่องนี้อย่างจริงจังพระรับบาทต้องให้พรด้วยถ้าไม่ให้พรโยมก็จะแสดงกิริยาอาการไม่พอใจ จนถึงต่อว่าตอขานว่าพระอะไรรับบาดแล้วไม่ให้พรใช้ไม่ได้หรือบางครั้งถึงกับผูกโกรธพระรูปนั้นเลยทีเดียวและคิดอกุศลว่าจะไม่ใส่บาตรพระรูปนี้อีกต่อไปพอรุ่มขึ้นพระไปบิณฑบาตโยมก็ไม่ใส่บาตรจริงๆตามที่คิดไว้แค่นั้นยังไม่พอ โยมบางคนพยายามจำชื่อของพระรูปนั้นพร้อมที่อยู่เอาไปฟ้องหลวงพ่อที่ปกครองในเขตนั้นๆเพื่อให้เรียกพระรูปนั้นมาอบรมสั่งสอนหลวงพ่อก็คอยตามถามโยมว่าพระรูปนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนโ ย, ยมก็บอกว่าพระชื่อนี้อยู่วัดนั้น หลวงพ่อก็ให้โยมไปนิมนต์พระรูปนั้นมาแล้วอบรมพ่ฒสอนเป็นการใหญ่ว่าท่านเราเป็นสมณะมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นต้องทำตัวให้เป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายอย่าหัวดือ้อเวลาฉันอาหารหรือรับบาทโยมแล้วควรให้พรทุกครั้งถ้าพระไม่ให้พร โยมจะไม่ได้บุญจำไว้นะครั้งหน้าอย่าทำอย่างนี้อีกจิงน้อมรับโอวาาโดยครอรบว่าผมจะไม่ทำผิดอย่างนี้อีกครับหลวงพ่อถ้าพระรูปนั้นขืนทำผิดรอบสองน่าจะโดนหนักกว่านี้แน่เมื่อเป็นเช่นนี้พระที่ท่านมาจากต่างชินก็ไม่นึกเลยว่าจะเป็นเรื่อง หลายแรงขนาดนี้ปัจจุบันประเพณีให้พรขณะบินทบาตได้แพร่หลายไปยังภาคต่างๆของประเทศเมื่อโยมชอบหรือต้องการอย่างใดพระท่านก็จะทำอย่างนั้นเพื่อเอาใจโยมไม่อยากขัดใจทั้งไม่อยากขัดศรัทธาเดี๋ยวจะ เป็นการทำศรัทธาของโยมให้ตกไปเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะพระกลัวจะเสื่อมลาภกลัวโยมจะไม่ใส่บาตรเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านขนขวายในการให้พรอย่างจริงจังไม่สนใจว่าโยมจะรีบไปธุระหรือไม่ถ้าโยมคนไหนเจอพระท่านให้พรชุดใหญ่ ต้องนั่งปน ม, มือนานหน่อยเจอชุดเล็กก็เร็วหน่อยแต่โยมบางคนชอบชุดใหญ่เท่าที่สังเกตดูตอนที่พระท่านให้พรเสร็จโยมจะสาธุเสียงดังคงคิดว่าพระท่านให้พรเยอะๆได้บุญมากโยมบางคนไม่ชอบก็นั่งบิดไปบิดมา กว่าพระท่านจะให้พรจบบางครั้งไปทำงานแทบไม่ทันเวลาบินทบาตในตลาดตอนเช้าพระจะนิยมให้พรแข่งกันจนเสียงดังดูเหมือนเป็นการประจบโยมเพื่อลาบสักการะเพื่อให้โยมศรัทธาสถานที่กลางตลาดเช่นนั้นผู้คนเดินสวนกันไป ส่วนกันมาโยมเบียดพระพระเบียดโยมมือหิ้วของบ่าสะพ่ายย่ามอุ้มบาดเดินไปดูแล้วไม่เหมาะสมไม่งามเลยความจริงเรื่องบุญนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงที่พระท่านให้พรหรือไม่ให้พรแต่อย่างใดบุญนั้นเกิดขึ้นอยู่ที่เจตนา ในการให้ทานเมื่อมีเจตนาในการให้เกิดขึ้นบุญก็เกิดขึ้นในขณะนั้นจะเห็นได้ว่าบางครั้งไม่ได้ถวายทานทั้งยังไม่ได้ใส่บาทบุญก็เกิดขึ้นได้เช่นโยมคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปทาบุญเลี้ยงพระที่วัดขณะนั้นเจตนาในการบริจาคทานเกิดขึ้นแล้ว บุญก็เกิดขึ้นเรียกว่าปุพพะเจตนาพอถึงตอนเช้าโยมก็ไปทำบุญเลี้ยงพระตามที่คิดไว้ในขณะจัดอาหารหวานข้าวหรือถวายอาหารพระบุญก็เกิดอยู่ตลอดเรียกว่ามุญจะเจตนาหลังจากถวายทานเสร็จแล้วโยมระลึก ถึงทานที่ทำไปแล้วเมื่อใดบุญก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเรียกว่าอัปปะเจตนาระลึกถึงบ่อยๆ บ, บุญก็เกิดบ่อยๆถึงโยมจะได้รับพรหรือไม่ก็ตามนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าบุญสามารถเกิดได้ทั้งก่อนให้ทานขณะกำลังให้ทาน และหลังจะให้ทานแล้วไม่เกี่ยวกับการให้พรหรือรับพรแต่อย่างใดดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าทานจะมีผลมากมีอานิสงมากต้องมีเจตนาประกอบด้วยการทั้งสามคือ 1. ปุพพะเจตนาได้แก่เจตนาหรือความตั้งใจที่เกิดขึ้นก่อนการให้ทาน มีใจชื่นชมยินดีเมื่อเริ่มคิดว่าเราจะทำบุญให้ทานในวันพรุ่งนี้มรืนนี้เป็นต้น 2. มุญจะเจตนาได้แก่เจตนาคือความตั้งใจที่เกิดขึ้นในขณะกำลังให้ทานเช่นกำลังใส่บาตรกำลังถวายทานเป็นต้นก็มีใจเลื่อมใสสา อปรเจตนาได้แก่ความตั้งใจที่เกิดขึ้นภายหลังการให้ทานเสร็จแล้วมีใจปรา ป, ปื้มนึกถึงทานครั้งใดปื้มใจทุกครั้งสรุปโยมเวลาทำบุญใส่บาตรถวายทานแล้วอย่าวุ่นวายอยู่กับการรับพรให้มากนักจิตใจจะขุนมัว เปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาแทรกได้ง่ายบุญก็จะไม่เกิดพระท่านจะให้พรหรือไม่โยมอย่าถือเอาเป็นสาระจริงจังเมื่อเจตนาครบทั้งสามการแล้วอา น, นิสงค์จะงอกงามไพยบุญยิ่งขึ้นดังได้กล่าวมานแล้วมูลเหตุของการอนุโมทนาสมัยก่อน การแสดงธรรมในรูปแบบพัรนาอนิสงของการทำบุญให้ทานเรียกว่าอนุโมทนาแต่ปัจจุบันใช้คำเปลี่ยนไปเป็นให้พรสมัยพุทธกาลพระทั้งหลายฉันเสร็จแล้วไม่อนุโมทนาในโรงฉันพวกโยมก็เพ่งโทษติเตียนบ่นว่า ทำไมสมณะเชื้อสายสกยบุตรจึงไม่อนุโมทนาในโรงฉันพระทั้งหลายได้ยินพวกญาติโยมเหล่านั้นตำหนิติเตียนเช่นนี้จึงกับาทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงอาศัยมูลเหตุนั้นแล้วตรัสรับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อนุโมทนาในโรงฉันได้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระอนุโมทนาในโรงฉันได้แต่ไม่ได้อนุญาตให้อนุโมทนาตอนบินทบาทพระพอฉันพัตน า, าเสร็จจะอนุโมทนาทุกครั้งการอนุโมทนาก็คือการพลนาอานิสง ของการทำบุญให้ทานนั่นเองเป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่งหรือเรียกว่าสัมโมธนียกถาคือการแสดงอนิสงค์ของการทำบุญให้ทานเพื่อให้ญาติโยมร่าเริงสมาทานอาจหารในการทำบุญให้ทานยิ่งยิ่งขึ้นพระบิณฑบาตไม่ควรให้พร ในเวลาบินทบาตพระต้องสำรวมตาซึ่งเป็นวัดอย่างหนึ่งต้องประพฤติในคราวเข้าไปในระแวกบ้านคือมีตาทอดลงเบื้องต่ำมองดูชั่วแอบเวลาไปบินธบาตควรนำกรรมฐานไปด้วยเวลากลับก็นำกรรมฐานกลับด้วยถ้าหากว่ามัวแต่จะให้พรโยมความสำรวม ก็จะเสียไปพระท่านยืนให้พรโยมนั่งรับพรยิ่งไม่สมควรถือว่าไม่เคารพธรรมดังนั้นพระยืนแสดงธรรมแก่คนที่นั่งไม่ได้ป่วยไข้ต้องอาบัตทุกกฎดังที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าพิสุควรใส่ใจว่าเรายืนอยู่ จะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่พิสูุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อยืนแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ต้องอาบัตทุกกฎมีวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้คือเวลาพระไปบิณฑบาตถ้าโยมต้องการให้ท่านอนุโมทนาใส่บาตรเสร็จแล้วนิมนต์ท่าน เมื่อพระท่านอนุโมทนาโยมควรยืนขึ้นถอดรองเท้าและหมวกเป็นต้นประนมมือรับฟังหรือถ้าหาเก้าอี้ให้ท่านนั่งโยมจะยืนหรือนั่งฟังท่านอนุโมทนาอย่างนี้ก็ใช้ได้พระไม่ต้องอาบัดทุกกฎและชื่อว่าเคารพพระธรรมทั้งพระและโยม ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพิสุนั่งจะแสดงธรรมแก่คนผู้ยืนอยู่หรือนั่งอยู่ก็ควรไม่เป็นอาบัตพิสุยืนจะแสดงธรรมแก่ผู้ยืนอยู่เหมือนกันก็ได้ไม่ต้องอาบัตบางท้องถิ่นพระจะสอนโยมว่าเวลาใส่บาตรให้เอาเสื่อมาปูนั่งรวมกันหลายๆคน เอาเก้าอี้มาให้พระท่านนั่งแล้วจึงอนุโมทนาอย่างนี้ก็สมควรเหมือนกันแต่ถ้าเป็นโยมผู้หญิงคนเดียวพระพิสุจะอนุโมทนาแสดงธรรมเป็นภาคภาษาบาลีคือเป็นคาถายาวเกินหกคำไม่ได้ต้องอาบัตปาจิตติเว้นแต่มีผู้ชายที่รู้เดียงสามานั่งเป็นเพื่อน ดังที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าพิสูตใดแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกิน5ถึง6คำเว้นไว้แต่มีบุรุษผู้รู้เดียงสาอยู่เป็นปาจิตตีอธิบายวาจาหกคำหมายความว่า8คำพยางเท่ากับหนึ่งบาทบาทหนึ่งมี8พยาง สี่บาทเป็นหนึ่งคาถาคาถาหนึ่งมีสี่บาทวาจาหนึ่งคำเท่ากับบาทหนึ่งหรือเรียกว่าบทหนึ่งวาจาหกคำเท่ากับคาถาครึ่งมีหบาทตัวอย่างมโนปุพังคมาธรรมมาเป็นคำที่หนึ่ง มโนเศรษฐะมโนมยาเป็นคําที่สองมณะสาเจปสันเนนะเป็นคําที่สามพาสติวากโรติวาเป็นคําที่สี่ตะโตนางสุขมะเนวติเป็นคําที่ห้าฉายาวะอนุปายินีเป็นคําที่หก พระต้องการจะกล่าวเนื้อความในคำพีอัตกรถาธรรมบทหรือชาดกเป็นต้นจะกล่าวเพียงหถึง6บทบาทควรอยู่เมื่อจะกล่าวพร้อมกับบาลีกล่าวธรรมยาให้เกินหบาทคือจากพระบาลีบทหนึ่งจากอัตกรถาห้าบทพระจะแสดงธรรมแก่ผู้หญิงคนเดียวเป็นคาถา ได้เพียงคถาครึ่งหกคำนอกนั้นต้องบรรยายเป็นภาษาไทยถ้ามีผู้หญิงหลายคนนั่งอยู่รวมกันเมื่อแสดงธรรมพระต้องบอกว่าอัตมาจะแสดงธรรมแก่พวกโยมคนละคาถานะแล้วก็แสดงไปอย่างนี้ไม่เป็นอาบัติหรือถ้าโยมผู้หญิงถามปัญหาธรรมพระตอบ ปัญหาได้จนจบเรื่องแม้ว่าเรื่องนั้นยาวขนาดไหนเช่นโยมถามว่าทีฆนิกายมีเนื้อความอย่างไรพระสามารถแสดงจนจบทีฆนิกายก็ได้ไม่ต้องอาบัติถ้าพระแสดงธรรมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นนอกจากภาษาบาลีแม้แสดงยาวก็ไม่เป็นอาบัต ตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าไม่เป็นอาบัติแม้ในคำที่อาศัยพระนิพพานซึ่งท่านรจนาไว้โดยผูกเป็นโคงกรเป็นต้นด้วยอำนาจภาษาต่างๆเวลาบินทบาทในสถานที่ต่างๆมีตลาดเป็นต้นที่มีผู้คนพุกพ่านพระยืนให้พรโยมนั่งรับพรอย่างนี้ ไม่สมควรอย่างมากถือว่าไม่รู้จักการะเทศะทั้งไม่เคารพธรรมแม้พระนั่งอยู่บนอาสนะต่ำแสดงธรรมแก่คนไม่ได้เป็นไข่นั่งอยู่บนอาสนะสูงก็ถือว่าไม่เคารพธรรมเหมือนกันและต้องอาบัตทุกกฎ ด, ด้วยเช่นกันเรื่องความไม่เคารพธรรมนี้ พระพุทธองค์ทรงตำหนิติเตียนพระฉับ พ, พัทคีผู้นั่งอยู่อาสนะต่ำแสดงธรรมแก่คนทั้งหลายผู้นั่งอยู่บนอาสนะสูงโดยอเนกปริยายจึงตัดกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพัญญาของคนจันทานคนหนึ่งในเมืองพราราณสีได้ตั้งคัน เกิดอาการแพ้ท้องอยากกินมะม่วงนางได้บอกกับสามีว่าพี่หนูกำลังตั้งครรภ์หนูอยากกินมะม่วงจังเลยสามีพูดตอบว่าฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูมะม่วงออกผลจะเอาผลมะม่วงมาจากไหนกันนางอ้อนสามีว่าถ้าหนูไม่ได้กินมะม่วงหนูขอตายดีกว่าช่วงเวลานั้น ต้นมะม่วงต้นหนึ่งของหลวงออกผลตลอดปีคนจันทานกลัวพัญญาตายก็ได้เดินไปที่มะม่วงต้นนั้นพอไปถึงก็ได้แอบ ป, ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นมะม่วงนั้นพอดีพระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จไปถึงต้นมะม่วงนั้นแล้วประทับนั่งบนพระราชาอาดสูง ทรงเรียนมนกับพราหมุโรหิตคนจันทานคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ประทับนั่งบนพระราชอาจสูงเรียนมนชื่อว่าไม่ขรรพธรรมและพราหมณ์คนนี้นั่งบนอาสนะต่ำสอนมนแก่พระเจ้าแผ่นดินผู้ประทับนั่งบนพระราชอาจสูงก็ชื่อว่าไม่ขรรพธรรมส่วนเรา ผู้รักมะม่วงของหลวงเพราะสติเป็นเหตุก็ชื่อว่าไม่เคารพธรรมเหมือนกันการกระทำนี้ร้วนต่ำซามทั้งสิ้นโลกนี้ทั้งหมดถึงความยุ่งเหยิงไม่มีเขตแดนเสียแล้วพอคิดเสร็จจึงได้ไต่ลงมาจากต้นมะม่วงได้ยืนอยู่ข้างหน้าของพระเจ้าแผ่นดินและพามทั้งสองนั้น แล้วกล่าวคาถาขึ้นว่าทั้งสองไม่รู้อัดทั้งสองไม่เห็นธรรมคือพราหมณ์ผู้สอนมนโดยไม่เคารพธรรมและพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเรียนมนก็ไม่เคารพธรรมพราม์นั้นกล่าวคาถาตอบว่าเพราะข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันขาวผสมกับแกงเนื้อ ข้าพเจ้าบริโภคแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้ประพฤติอยู่ในธรรมที่เราพระอริยเจ้าสรรเสริญแล้วคนจันทันนั้นได้กล่าวสอนพราหมณ์สองคาถาว่าท่านพราหมณ์เราติเตียนการได้ทรัพบและการได้ยศเพราะนั่นเป็นการเลี้ยงชีพโดยความเป็นเหตุให้ตกต่ำ และเป็นการเลี้ยงชีพโดยทางที่ไม่ชอบธรรมจะมีประโยชน์อันใดด้วยการเลี้ยงชีพเช่นนั้นท่านจงรีบออกไปจากประเทศนี้เสียเถิดท่านพราหมณ์แม้สัตว์ที่มีชีวิตเหล่าอื่นก็ยังหุงหาอาหารกินได้อะธรรมที่ท่านได้ประพฤติมาแล้วอย่าได้ทำลายท่าน ดุดก้อนหินทำลายหม้อน้ำฉะนั้นดูก่อนพิสุทั้งหลายแม้ในการครั้งนั้นพราหมณ์นั่งบนอาสนะต่ำสอนมนแก่พระเจ้าแผ่นดินผู้ประทับนั่งบนพระลาชอาสนะสูงยังไม่เป็นที่พอใจของเราฉะไหนในการบัดนี้เราจักพอใจที่พิสุนั่งบนอาสนะต่ำ แล้วแสดงธรรมแก่คนนั่งบนอาสนะสูงเล่าเมื่อทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้ว่าพิสุพึงใส่ใจปฏิบัติว่าเรานั่งบนอาสนะต่ำจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งบนอาสนะสูงพิสุใดาอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อนั่งบนอาสนะต่ำแสดงธรรม แก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งบนอาสนะสูงต้องอาบัตทุกกดพระธรรมเป็นเครื่องชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขกเกษมสารชี้ทางพระนริพานที่พ้นโศกวิโยกภัยแก่สรรพสัตว์พระสัตวธรรมมีค่ามากกว่าวัตถุสิ่งของใดใดในโลกไม่สามารถประเมิน พระธรรมเป็นราคาได้พระพุทธองค์สมัยเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ได้ฟังธรรมจากสำนักพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทราบซึ้งในรถพระธรรมมองไม่เห็นทายธรรมอื่นใดมีค่าคู่ควรแก่การบูชาพระธรรมเลยนอกจากศีรษะ อันเป็นอวัยวะสูงสุดของตนเท่านั้นจึงได้ตัดศีสะบูชาพระธรรมแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเคารพพระธรรมมากถ้าพระองค์ทรงได้เห็นได้ยินใครแสดงอาการไม่เคารพพระธรรมจะทรงตำหนิติเตียนว่าดูก่อนโมคบุรุษการกระทาของเธอนั้น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเรื่องการเคารพพระธรรมพระพุทธองค์ทรงประพฤติเป็นแบบอย่างมาแล้วถ้าพระพิสุแสดงธรรมอยู่ในที่ไม่ไกลพระองค์จะเสด็จไปประทับยืน ฟังธรรมอยู่ที่ใกล้และจะไม่เข้าไปในระหว่างที่พระพิสุแสดงธรรมยังไม่จบต่อเมื่อแสดงธรรมจบแล้วจึงเสด็จเข้าไปเพราะพระองค์เคารพพระธรรมและไม่ต้องการจะรบกวนการแสดงธรรมในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหาร เชตวันอารามของท่านอนาถปินดิกะเศรษฐีใกล้พนครสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระนันทะกะแสดงธรรมแกพ่พิสุทั้งหลายทำให้เห็นแจ้งให้สมาทานอาจหารร่าเริงในอุปัิฐานนสสาราพระพุทธเจ้าทรงสลับเสียง การแสดงธรรมอันไพเราะของพระนันทกะที่กำลังแสดงอยู่จึงตัดถามพระอานนท์ว่าใครแสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเราะในศาลานั้นพระอานนท์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้เป็นวาระแสดงธรรมของพระนันทกะเถระ ผู้เป็นธรรมะกระถึกพระองค์จึงตัดชมเชยว่าอาน o น์พิสุนั่นแสดงธรรมไพเราะยิ่งนักแม้เราก็จะไปฟังตอนนั้นเป็นเวลาเย็นพอดีพระองค์เสด็จเข้าไปอย่างอุปัฐานณสาราทรงปิดบังฉับพันณรังสีไว้ในกีบจีวรแล้ว ประทับยืนด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักฟังธรรมมกถาอยู่ณซุ้มประตูด้านนอกเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วท่านพระอานนท์ได้ทูลถวายสัญญาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฐมยามล่วงไปแล้วขอพระองค์ทรงพักผ่อนสักหน่อยเถิดพระพุทธเจ้าก็ทรงประทับยืน อยู่ณที่นั้นนั่นแหละเมื่อเลยมัชมะยามไปแล้วท่านก็ได้ทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เป็นขติยะสุคุมารชาติโดยปกติทรงเป็นพระพุทธเจ้าสุคุมารชาติทรงเป็นสุคุมาราชาติอย่างยิ่งมัชมะยามก็ร่วงไปแล้วขอจงทรงพักผ่อนสักคู่เถิด พระพุทธเจ้าก็ทรงประทับยืนอยู่ณที่นั้นนั่นเองตลอดทั้งคืนจนอรุณขึ้นอรุณขึ้นก็ดีการจบธรรมกถาก็ดีการเป่งฉับพันณรังสีของพระทศพลก็ดีได้มีพร้อมในคราวเดียวกันคันทรงทราบว่ากถาจบแล้วทรงกระแอมและทรงเอาปลาย พระนขาเคาะที่บานประตูพิสุเหล่านั้นเปิดประตูให้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปยังอุปัฐานนาศสาราประทับนั่งบ น, บนโบว์พุทธาอาะที่ปูรลาดไว้ดีแล้วลำดับนั้นพระองค์ได้ตัดชมเชยท่านพระนันทกะว่าดูก่อนนันทกะ ธรรมบัญญายของเธอนี้ยาวมากแจ่มแจ้งแก่พิสุเรายืนฟังจนจบกถาอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกจนเมื่อยหลังเราเราพระพิสุเป็นพระสมมณะเชื้อสายศักกยบุตรเมื่อได้ทราบปฏิปทาของพระบรมศาสดาเช่นนี้แล้วยิ่งต้องเคารพพระสัตธรรมให้มาก ต้องทำความยำเกรงห่วงแหนพระสัทธรรมยิ่งกว่าชีวิตอย่าเห็นแก่ลาบสักการะเล็กๆน้อยๆจนลืมธรรมะอย่าเอาทรรมอันมีค่าสูงยิ่งไปแลกกับอาหารของชาวบ้านเหมือนเอาเพชรทีท่มีค่ามากไปแลกกับฐานที่ไร้ค่าฉะนั้น พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่านรชนบุคคลพึงสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งอวัยวะที่ประเสริฐกว่าเมื่อจะรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะอันเป็นที่รักยิ่งเสียเมื่อตามระลึกถึงธรรมรักษาพระธรรมพึงสละอวัยวะทรัพย์และแม้ชีวิตได้ทั้งหมด ผู้ต้องการจะรักษาพระธรรมควรน้อมเอาพระพุทธพจน์บทนี้มาไว้ในใจถ้าเห็นใครแสดงอาการไม่เคารพธรรมก็ไม่ควรแสดงธรรมให้ฟังธรรมแม้มีค่ามากแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่บุคคลผู้ไม่ต้องการเหมือนเอาพลอยที่มีค่าให้แม่ไก่แม่ไก่ไม่รู้ค่า ก็เขียทิ้งไปฉะนั้นประเพณีเป็นเหตุให้เข้าใจผิดได้แต่บางสถานที่มีประเพณีไม่เหมือนกันก็เป็นเหตุให้เข้าใจผิดพลาดได้เช่นในกรณีของคนไทยถ้าพระยืนอยู่โยมนั่งถือว่าแสดงความเคารพแล้วปัจจุบันมีพระธรรมะกะถึก หลายรูปไปแสดงธรรมตามที่ต่างๆยืนบรรยายธรรมบนสแตนแท่นยืนโยมก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ฟังธรรมดูแล้วเหมือนจะถูกต้องแต่ก็ไม่ถูกทำให้ต้องอาบัตตามสิกขาบทที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้าพูดถึงทางพระธรรมวินัยแล้วการยืนฟังธรรมถือว่าแสดงความเคารพ เช่นพระยืนแสดงธรรมโยมต้องยืนฟังธรรมถ้าพระนั่งแสดงธรรมโยมจะนั่งฟังหรือยืนฟังธรรมก็ได้ถือว่าแสดงความเคารพเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงพอสรุปได้ว่าพระพิสคุคือผู้นำทางศาสนาเป็นหัวหน้าของพุทธบริษัททั้งสี่เมื่อเห็นญาติโยมทำอะไรไม่ถูก ไม่ควรต้องเอาทุระแนะนำหรือพัมสอนชี้ผิดชี้ถูกตามเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้เช่นบอกโยมว่าโยมต้องการรับพรฟังธรรมให้ยืนขึ้นถ้าโยมนั่งพระยืนถือว่าไม่เคารพธรรมเป็นต้นในสมัยปัจจุบันนี้ มีพระบางรูปไม่รู้วินยัยเมื่อโยมใส่บาตรเสร็จแล้วก็ให้พรฉะนั้นโยมควนยืนปนมือรับพรด้วยการทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าช่วยเปื้องท่านให้พ้นจากอาบัตและโยมก็ได้ชื่อว่าแสดงความเคารพพระสัธรรมด้วยถ้าศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจดีทั้งพระและโยมก็จะปฏิบัติได้ ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยสะดวกยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติตามสืบต่อไป